นัตถิกัมมังสมะภลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมผมอาจารย์ยอดรายงาน เมื่อบัพพชาที่วัดบ้านเกิดๆที่อยู่บ้านและวัด การบวชก็เพื่อรักษาประเพณีการนับ รูปกายสูงใหญ่เชือกหนึ่งเดินเข้าต่างๆที่สะสมกันไว้มากมายติดต่อกันมาตั้ง ผู้ชราเห็นอย่างนั้นก็มีความตกใจตื่น เพราะว่าตนเองก็เป็นครูบาอาจารย์ พิจารณาดูรูปลักษณะผิวพรรณก็อิ่มเอิบ ก็ยินดีรับไว้ด้วยความยินดียินดีรับไว้ด้วยความยินดีเพราะว่า รู้ความต้องการของอาจารย์ไปทุกอย่างว่าเวลานั้นท่านจะฉันน้ํา เอาใจใส่กำหนดจดจำท่องบ่นอาจารย์ถ่ายทอดไว้เมื่อร่ำเรียนความรู้ขั้นพื้น นับเป็นผู้ทรงความรู้ในขั้นนักปราชญ์ราชบัณฑิต ตามกฎธรรมดาของโลกไม่อาจจะเข็งขืนปู่ หลวงพ่อพระอาจารย์เป็นพระเถระผู้ใหญ่ทั้งราชสำนักฝ่ายนอกฝ่ายในตลอดจนมหาชนชาวจัมปาสักครั้งนั้นต่างก็มีความ ก็พร้อมใจกันยกท่าน เพราะท่านเป็นผู้ทรงวิทยาคุณและมีมาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมกันไม่ได้ขาดจึงกล่าวกันว่าหลวงปู่ยาคูพลสะเม็กเป็นผู้มีบุญมาเกิดเป็นผู้วิเศษนอกจากนี้ยังมีๆ คนสมัยนั้นถ้ารู้ท่านไปถ่ายๆว่าอย่างนั้นจะว่าเป็นอุปาทานก็ อ่าทาพญาเนี่ยมาด่วนสิ้นชีวิตตักสายไป นางแแพงนางเผานี้ไม่มีรายละเอียดเหมือนกันว่าเป็นนาง อีกทั้งยังมีความเป็นห่วง ด้วยกราบบอกว่าข้าพเจ้าเป็นหญิง อย่าว่าแต่ราชสมบัตินครจัมปาสักเท่านี้เลยแม้ยกเอาบ้านเอา ไปด้วยดีด้วยดีจึงแต่งองค์คมนตรีขึ้น 4 ท่านให้เป็นที่ปรึกษา เอานางพญาเป็นมเหสีปกครองเมือง แล้วก็ปรึกษาว่าจะทํายังไงดีเพราะทรงมีความห่วงใยบุตรในครรเองจะมีอันตรายหลวงปู่ท่าน แล้วก็สั่งไม่กลับเวียงวังรักษาลูกใน ที่มีผู้นิยมเลื่อมสายมาก ท่านพิจารณาแล้วเนี่ยเห็นว่าการสู้เนี่ยนอก พวกเขาทั้งหลายและครอบครัวก็จะหนีตาม การหนีนั้นอพยพโดยทางเรือมีเรือน้อยใหญ่เป็นพันลำล่องมาตามลำน้ำโขงเป็นขบวนใหญ่มองกลับไป ปล่อยให้เรืออพยพทั้งหมด เห็นครั้งสุดท้ายก็แต่หลวงปู่ยืนอยู่กลางลำเรือโบกมือไหวๆยิ้มมีวิชาอาคมขลังสุดที่จะหยั่ง เมื่อรอดูจนหาร่องรอยของขบวนอพยพไม่ได้แล้ว หลังจากล่วงเลยแก่งหลีผีลงมาแล้วก็พักรอนแรมมาตามนำดับเมื่อถึงธาติพนมก็ได้แวะขึ้นไปและทำปลอกคอระครังพระธาติพนมถวายเป็นพุทระบูชาจากนั้นก็พากันล่องเหลือต่อไปเจินกระทั่งออกสู่ปากน้ำของไปขึ้นที่นครสีธรรมราชซึ่งในสมัยนั่นว่ายุอำนาจปกครองของข้อมีนทจริงยังไง ทราบต่อมาว่าท่านได้ร่วมใจกับผู้ติด สามัณเณรแดงหรือว่าจั่วแดงศิษย์ของ อันที่จริงอำเภอโขงเจียมกับนครยมปาสักก็ไม่ใช่อยู่ อีกแห่งนึงที่อินโดจีนไทยเราตอนอ่าฝรั่งเศส แต่ตอนให้เอกราชหลังปีจนๆที่ นะครับมาจนกระทั่งถึงยุคสมัยของลูกศิษย์ ตำบลเวินไซอำเภอเมืองพลทองจังหวัดนครจำปาสักประเทศลาวท่านเกิดเมื่อ 2389 วันเดือนปีไหนสืบ 6 คนผู้ 3 คน ทั้ง 5 คนพี่น้องของท่าน คน. 13 ปี พ.ศ. 2402 ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดบ้าน ได้ 20 ปีก็ไปอุปสมบทเป็นภิกษุที่ และแล้วท่านได้ร่วมกับพระซึ่งเป็นคือยาท่านธรรมบานวัดป่าน้อยเมืองอุบลราชธานีชักชวน ซึ่งบัญจุพระคัมภีร์ต่างๆอยู่มากมายให้ค้นคว้า 3 ใบท่านพร้อมกับ ค้นอยู่จนอ่อนใจก็ไปพบๆสําคัญมากท่านทั้งสองก็ถือเอาลงมาด้วยแล้วก็นํา จะต้องอยู่ในเพศพรหมจรรย์ตลอดชีวิตหลวงปู่สําเร็จรุ่น ถึงหน้าพรรษาก็จะมีอ่าขี้ผึ้งเทียนมาฝากถวายกัน หลวงปู่จำนรรจ์อยู่เฉพาะสำนักวัดบ้าน 75 ปีบวชได้ 55 พรรษานำศพต้น ชาวบ้านได้เห็นเป็นอัศจรรย์ก็ถากถาง 4 ต้นต้น ภายหลังมีต้นนึง 60 กว่าปีแล้วรวมกันๆแต่เรียก อันนี้พอจะประมวลมาเล่าไว้เป็นอนุสรณ์ การเข้ามาปกครองของ ในเอ็มปาวีได้ข่าวว่าเจ้าผู้ครองนครยัมปาสักคิดแข็งข้อกระด้างกระเดื่องก็คุมกําลังมาหวังจะจับกุมด้วยซึ่ง เมื่อเจ้านครธรรมมาสักแล้วหลวงปู่สําเร็จหลุนไปถึงท่าจอดเรือริมฝั่งโขงเป็นเรือขุดลําใหญ่บรรทุกคนได้หลายสิบในปาวีใช้เป็นเรือประจําตําแหน่งของตนก่อนจะขึ้นเรือหลวงปู่ก็บอกว่าให้ขึ้นเรือให้ เกรงจะไปทําให้เรือล่มเสีย ไปไหนไม่รู้กลับมาเอาครั้งหนึ่งตอนที่ท่านอุปสมบท ย่อมแม่ก็ไม่ฟังต้องการให้ท่านเป็นสมภารก็ร่วมมือกับมาท่านก็ประพฤติตัวให้ เนื่องด้วยๆท่านก็มาพักที่ตึกขาวนั่นก่อนแล้วจึงๆนอนๆอยู่ที่ตึกขาว การอาบน้ําก็เช่นเดียวกันต้องๆ แสดงว่าท่านรู้ภาษานกภาษาสัตว์ได้ 9 ขวบ 10 ขวบว่าท่านเป็นอ่า หมายถึงสมภารนะไม่ใช่สมเด็จพระ พระครูขี้หอมแต่เมื่อสืบ จึงแสดงอภินิหารได้ต่างๆเช่นเหยียบฝาบาดหรือว่า เสกน้ําหรือว่ายาแก้ภะยาธทั้ง ส่วนธาตุไฟหรือเตโชธาตุเนี่ยเป็นณ กระทำให้จังงังว่าปฐวีธาตุจะทําให้ผู้ 17 คาบจะ จะกระทําให้ศัตรูฉิบหายให้ 8 คาบจะทําให้ตัวเองเป็นจะจะ 17 คาบทิ้งดอก เอาไม้ปลายด้วนมาถือไว้เสกด้วยปฐวีธาตุ 17 ขาบผู้อื่นเห็นจะเอ 11 ขาบเป็นต่อแตนจะล่องหน ท่านว่าคือคาทั้ง 5 ประการสะเดาะได้หมดท่านจะให้ 4 อย่าง 108 คาบจะเป็น 12 คาบตวาดเสือยัง ผู้ชายจะต้องได้สมาธิแก่กล้าถึง 80 ปีแล้ว 70 80 แล้วอ่าจํา ที่